ไอ้ช่วงคุยธรรมะกันในวันนี้พระอาจารย์ 2 อย่างมันมีกายๆทําความจริงๆแล้วในการ ตัวเรา เenvío แต่เราเข้าใจสิ่งอื่นด้วยเวลาที่ ไปไว้เอาไว้และจึงจะยกตรง 4 ดินน้ํา 4 ดินน้ําไฟลมอะไรประตูห้องโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือ นะของเหลวก๊าซพวกนี้ทั้งหมดเลยแต่เป็นธาตุดินธาตุ หากได้เปลี่ยนแปลงได้ตามความร้อนมันแต่จะจะพูดถึงก็แล้วเนี่ยเอ่อผู้มาก่อมากองมาก่อมารวบรวมกันเนี่ย เขาจะมีประตูเมืองมีกำแพงเมืองมีอะไรต่างๆลักษณะเมืองนี่ก็คือเป็นธาตุ 4 เอ่อเมืองนี้เนี่ยน่าจะเปรียบเทียบ 4 นะเจ้าเมืองเมือง พูดถึงกําแพงแต่ต้องมีกําแพงเมือกถึงกำแพงแต่ต้องมีกำแพงเมืองกำแพงเมืองนี้ต้องไม่ใช่ สูง 3-4 ชั่วบุรุษอย่างนี้น่ะหรือขึ้นไปกว่านั้นเมืองนี้ก็เปรียบเสมือนกับปัญญาของเรานะเป็นการคอย มันดีก็ใส่แหลมๆอะไรที่มันตกลงไปบาปทีนี้นอกจากมีคูแล้วเนี่ยล้อมรอบอย่าง สูงและกว้างนั่นนั่นก็คือเป็นลักษณะของโอตตัปปะนั่นรอบมีเชิงเทินละนั่น 3 อย่างแรกนอกจากนี้ในเมืองนี้ ลักษณะอย่างเช่นว่าในโครงการการก่อสร้างๆเนี่ยถ้าลองลองได้แต่เช่น เสานี้ก็คือเปรียบเสมือนศรัทธานั่นเองและศรัทธาในที่นี้เอ่อ เอ่ออาวุธเนี่ยอาวุธสังสมไว้นะอาวุธไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงปืน M16 ปืนปืนยาวปืนยาวปืนเลเซอร์เครื่องยิงปืนคล็อกมิสไซล์อะไรต่างโอ้เต็มไปหมด อาวุธที่ใช้สัตว์ใกล้ตัวอาวุธใหญ่สัตว์ไกลตัวอย่างเงี้ยนะอ่ะอาวุธเนี้ยคือความรู้ ถ้าไม่เกิดมีก็เรียกว่าเป็นเค้าเรียกว่าผู้ที่มีสุตตะเป็น เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าหรือพระสูตรอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าได้เล่า เอ่อกองที่พลาธิการหน่วยกองจัดทรงหน่วยเสนาธิการหน่วยอะไรต่างๆถ้าสมัยก่อนนี่ถ้ากษัตริย์ไปรบเองก็ต้องมีกอง พระเจ้าเปรียบเทียบกับความเพียรนั่นเองนะความ ถ้าเราจะจับได้เราต้องจัดการมันซะแล้วจะจับได้คุณต้อง ความเพียรที่คุณใส่ไปทําให้จิตคุณมีเมตตาเนี่ยคือกองกําลังละนะอาวุธเนี่ยคือความเมตตาที่ทุชาได้ปัญญัติไว้แล้วเอาแผ่ลงไปแล้วมันก็คือกองกําลังติดอาวุธนั่นเองอาวุธที่นี้เนี่ยคือธรรมะนั่นเองแล้วกอง 6 ประตู โอกาสนี้ก็คือตาขูจมูกลิ้นกายใจ นายทวารที่ทําอย่างนี้ได้คือนายทวารผู้ฉลาดในตอนนี้เค้ามีระบบตรวจตรา นะเรามีองค์ประกอบของเมืองอย่างนี้นะคืออ่ามีสติเป็นนายทวารใช่มั้ยก็มีกองกําลังมีอาวุธนะกําแพงเมืองก็ นะเช่นของกินของใช้นะของใช้นี่ก็ยังรวมถึงอาจจะเป็นไม้ยาๆนะข้าวนี่ ในเมืองที่ถูกปกป้องคุ้มครองอย่างนี้เนี่ยจะสบายละจะเป็นหัวเมืองที่มั่งคั่งมั่นคงและตั้งอยู่ได้นาน เราดูเรามีกำแพงกั้นอยู่ในรอบมั้ยนะป้องเร ทันทีเรายังไม่เจอภาษาที่ไม่น่าพอใจตอนที่เรายัง เราจะดําเนินให้เมืองเมืองนี้รอดรักษาได้เมืองๆสะสมหิริโอตตัปปะศรัทธาวิริยะปัญญาพวกนี้ค่อยๆเพิ่มพูนเพิ่มขึ้นเราจะผ่านพ้นไอ้ไปในอนาคต และบริษัทจะยกตัว